มีเกรดตอนหนึ่งนะเกี่ยวกับหลวงปู่กินรีหลวงปู่กินรีนี่ท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่เสากันต์ศรีโลหลวงปู่เสานี่เป็นทั้งรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์ของหลวงปู่มั่นส่วนใหญ่จะรู้จักหลวงปู่มั่นกันแต่ว่าหลวงปู่เสาจะรู้จักน้อยหรือไม่ค่อยรู้จักเลย แล้วริงหลวงปู่กินทะเลนี้ก็คนก็รู้จักน้อยนะเพราะว่าท่านไม่ค่อยโด่งดังหลวงปูก่กินทะเลนี้ก็คือองค์ที่เคยเล่าว่าหลวงพ่อชาเคยไปฝึกปฏิบัติกับท่านแล้วก็ได้รับคำสอนที่มีประโยชน์มากเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาขณะที่เย็บผ้าปะชุนจีวอนนะไม่ใช่คิดแต่จะไป ภาวนาอย่างเดียวจนกรทั่งรีบปะรีบชุนก็เป็นบทเรียนที่สําคัญของหลวงพ่อชาที่ทําให้ตระหนักว่าการภาวนานี้ทําได้ทุกอย่างทุกเวลาทุกที่ไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาเดินจองกรมหรือว่านั่งภาวนาเท่านั้นนี่ก็มีคราวหนึ่งน ะ, ะมีแม่ชีคนหนึ่งซึ่งก็เป็นรู้สึกของท่านเกิด อาการเพี้ยงขึ้นมานะแล้วก็มายืนด่าท่านที่น่ากุติษด่าท่านเสียหายเลยนะแต่ว่าหลวงปู่กินเลี้ยงท่านก็นิ่งพระที่เป็นอุปถากนะปัจฉาสมณะก็ทนไม่ได้อยากจะเข้าไปจัดการอยากจะเข้าไปด่าตอบหลวงปู่กินเลี้ยงก็ทักท้วงว่านะอย่าไปแย่งบาปจากเขาเลยนะนั่งฟังเฉยๆเถอะ ท่านพูดสั้นๆแค่นี้นะพระอปปฐาก็สงบเวลามีใครมาด่าเราแล้วเราด่าตอบนี่มันไม่ตาจากการไปแย่งบาปจากเขานะให้เราลองพิจารณาแบบนี้มันแย่งบาปในแง่ที่ว่าถ้าไปด่าตอบก็ทำให้จิตใจเป็นอกุศลจิตใจร้อนรุ่ม คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คิดตรงนี้เท่าไหร่นะว่าการไปด่าดตอบหรือไปร่วมวงทะเลาะกับเขานี่มันเป็นการไปแย่งบาปจากเขาปล่อยให้เขาทําบาปไปคนเดียวเถอะนะเราอย่าไปแย่งบาปจากเขาหลายคนจะคิดว่ามันมันยุติธรรมแล้วนะเขาดา่าเราเราก็ด่าดตอบแต่ว่าหาเฉลียวใจหรือตระหนักไม่ว่านั่นแหละเป็นการไปแย่งบาปจากเขามา แย่งบาปนี่อาจจะดูเบาไปนะอาจจะดูเบาไปเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปแย่งเข้ามาแย่งบาปแากเข้ามาสักสามสิสี่ิเอร์เซน์ก็ยังน้อยกว่าคนที่ด่าเราแต่พระธเจ้านี่ตัดหนักกว่านั้นจริงนะพระเจ้าตัดว่าเนี่ยผู้ใดโกรธตอบผู้ที่ด่านะผู้นั้นเลวกว่าคนด่า ผู้ใดโกรธตอบคนที่ด่าเนี่ยผู้นั้นเร็วกว่าคนที่ดา่าเร็วกว่ายังไงนะเร็วกว่าก็ตรงที่ว่าได้ทำลายทั้งประโยชน์ดตนและประโยชน์ท่านก็คือว่าพอไปด่าเขาจิตใจก็รุมรอ้อนจิตใจเป็นอกุศลเกิดความทุกข์นะและไม่พอก็อาจจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมก็ไปใหญ่เช่นใส่ร้ายเขาหรือว่าพูดจาจูงจาบเขา ใช้คําที่รุนแรงอันนี้ก็ถือว่าผิดศีลนะผิดศีลข้อที่สีการใช้วาจาที่เป็นความหยาบคายซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเวลาเวลาด่าตอบเนี่ยมันก็ต้องพยายามขุดเอาคําพูดที่รุนแรงที่สุดนะมันกลายเป็นการแข่งกันระหว่างใครจะด่าดได้แสบกว่ากันนะพราะคิดว่าจะชนะกันโดวยวิธีนี้บางทีก็ไป ขุดเอาโคลนเงาของเขามาด่าซึ่งมันก็เท่ากับกระตุ้นให้เขามีความโกรธแค้นมากขึ้นอันนี้เรียกว่าทำลายทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่า น, นตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วก็ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยพระเจ้าก็สอนว่าแนะว่าเนี่ยนะอย่ากโกรธตอบ ค, คนที่ด่าผูดใดไม่โกรธตอบคนที่ด่าพูดนั่นชื่อว่าชนะสงคราม นะที่ชนะได้ยากนะเป็นสงครามภายในนะเป็นสงครามสู้กับกิเลสเพราะกิเลสนะหรืออัตตาเนี่ยมันก็อยากจะให้เราด่าตอบนะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำตามกิเลสไม่ทำตามบัญชาของอัตตาเนี่ยนะก็ถ้าก็เราชนะพระพุทธเจ้ายังตรัดว่าเนี่ยผู้ใดนะเมื่อถูกด่านะ แต่ว่าตั้งสติไว้ได้สงบใจผู้นั้นชื่อว่าได้ทําประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนนี่คือว่าไม่ไปผีพรามหรือไม่ไปทําอะไรที่ผิดพลาดเพราะว่าอย่างที่บอกไว้แล้วคนเราพอเวลาโกรธแล้วเนี่ยมันก็ลืมตัวและลืมตัวแล้วเนี่ยก็จะผิดศีลผิดธรรมหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตัวเองแล้วกับผู้อื่น แต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ด่าตอบแต่ว่ามีสติ ส, ตสงบใจไว้ได้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการทั้งเดียวยาตัวเองแล้วก็เยี่ยวยาผู้อื่นเวลาเราสงบนะขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งด่าเอาด่าเอาเนี่ยนะมันช่วยทําให้อีกฝ่ายห น, นี่ยเกิดสติขึ้นมาได้เหมือนกันนะเวลาเรานิ่งแต่อฝ่ายนินงดาความนิ่งของเราเนี่ยมันจะเป็นกระจกที่ทําให้ฝ่ายนึงได้รู้ตัวขึ้นมา เขารู้ว่าเขารู้ตัวนะว่าเขาเขาเขากําลังโกรธพอเขารู้ตั ว, วเขากาลังโกรธเนี่ยเขาก็จะเริ่มสงบลงเคยมีครูคนหนึ่งนะไปเรียกลูกศิษย์มาลูกศิษย์คนนี้เรียมัธยมแล้วก็โดดเรียนเป็นประจําไม่สนใจการเรียนชาทางเกเรครูก็ไปเรียกมาแล้วก็ถามว่าทําไม เธอหายไปไหนทําไมเธอไม่มาเรียนหนังสื อ, อพอถามแค่เนี้นะเด็กก็โมโหโกโรธนะนะเราวาดท่าทางก็ฟัด ก, กัฟเฟียแล้วก็คว้างก็วางตะโต๊ะเตะเก้าอี้ครูก็ยังสงบนะครูไม่ครูไม่ตอบโต้ครูไม่ด่าวะนะ่านักเรียนว่าทําไมเธอไรามารยาททาไมเธ อ, อทําแบบนี้กับครูครูนี่ก็เรียกว่ามีเมตตาแล้วก็เข้าใจเข้าใจเด็ก ก็สงบนะพอสงบสักพักนี้เขาก็ก็เริ่มที่จะอธิบายแล้วหลังจากที่ครูได้ถามย้ำอีกทีว่าทำไมไม่มาเรียนหนังสือเขาก็อธิบายไปเนี่ยนะว่าบ้านเขาต้องเรียนหนังสืออ่บ้านเขานี่ต้องทํามาหากินนะยากจนพ่อไม่อยากให้มาเรียนหนังสืออยากให้เขาไปอ่าทำมาหากินดีกว่าเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์นะมาโรงเรียนก็ถูกคนถูกครูว่าถูกครูดูถูกนะ คือเขาก็เริ่มนะก็เริ่มพูดดีๆแล้วแล้วพูดไปพูดมาเขาก็เริ่มยอมรับว่าที่เขาทํานั้นไม่ถูกไม่ว่าจะเป็นการเอะอะวอยวายกับฟัดต่อเฟียหรือว่าการที่ไม่สนใจเลยหนังสือนัอ่นเด็ก ย, ยอมรับเองเลยนะหลังจากที่ครูนี่สงบครูไม่ต่ออนต่อเทียงไม่ต่อโตอ้ความสงบของครูก็เป็นกระจกทําให้นักเรียนเนี่ยได้รู้ตัวได้เห็นความโกรธและอาการไม่ น, าน่ารักของตัว อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเยียวยานะเยียวยาเยียวยาจิตใจนักเรียนเนีเหมือนกันอย่างที่พระเจ้าตรัสบ้านเนี่ยถ้าว่าเราเราสงบเรามีสติได้นะให้กา ร, กรทําของเราเนี่ยมันก็จะเยียวยาทั้งตัวเราแล้วก็เยียวยาอีกฝ่ายนึงด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ทันแต่ถ้าเกิดว่า ไม่สามารถจะคุมสติเอาไว้ได้นะโกรธเนี่ยไอความโกรธของเราเนี่ยไอความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถจะผลักให้เราทําอะไรที่น่าเกลียดก็ได้นีซึ่งต้องมาเสียใจภายหลังนะแล้วสมัยนี้เนี่ยความโกรธเนี่ยถ้าได้พูดได้แสดงออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หายไปกับสายลมนะบางทีมันถูกบันทึกเอาไว้นะเพราะสมัยนี้คนเราระบายความโกรธ หรือระบายความเกลียดนะทาง Facebook ทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทางสื่อต่างต่างแล้วก็ไอการพูดอย่างงานการเขียนอย่างนั้นนี่มันกลายมาเป็นผลเสียของตัวเองในภายหลังเช่นพอโตขึ้นแล้วไปสมัครงานหรือว่าพอมีอาชีพการงานนะดีๆเนี่ยประกบว่ามีคนเข้าไปขุดคุยนะ เอาคําพูดที่หยาบคายที่แสดงถึงความโกรธความเกลียดเนี่ยเอามาประจานมันก็ทําให้เสียผู้เสียคนเหมือนกันนะบางคนก็ถึงกับลาออกจากงานเลยเพราะว่าไปแสดงไปพูดข้อความที่ดูถูกผู้หญิงหรือว่าไปดูถูกคนที่เขายากจนกว่าไปดูถูกคนที่นับถือศาสนาต่างจากตัว อย่างในฝรั่งนี้ก็ถือมากในะเรื่องการดูถูกด้วยเหตุผลทางศาสนาเหตุผลทางเชื้อชาติหรือการดูถูกทางเพศนีมีอาชีพอะไรนะที่ที่ดีพอเขาขุดคุยเอาคำพูดเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยที่มันปรากฏอยู่ใน a ฟ e b o o k ในโซเชียลมีเดียนี่ก็ก็เรียกเสียพูดเสียคนไปเลยนะให้ต้องลาออกจากงานนะหรือว่าถูกปลดจากตำแหน่งเพราะว่ามัน เป็นการเสียชื่อทำลายภาพพจน์ของบริษัทขององค์กรนอกจากคนเราจะโกรธพ่อถูกดา่าแล้วเนี่ยบางทีก็จะโกรธพ่อเจออะไรที่เจอภาพหรือเจอการกระทําที่ไม่ถูก อ, อกถูกใจนะและทําให้เกิดความโกรธพอโกรธแล้วก็ลืมตัวแสดงอาการอะไรออกมาอาการที่ออกมาที่บางทีมันมันหนัก กว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นหรือถึงสิ่งที่ตัวเองได้รับรู้มาสิเมื่อสักยี่สิกว่าปีก่อนเนี่ยที่นี่เนี่ยฉันอาหารนี่เป็นพาณนะิเป็นพานี่คือเป็นวงนแล้วก็ไปฉันตรงชั้นสองชั้นบนของศาลาหน้าเนี่ยสมัยก่อนนี่ก็มีทั้งชันชาวฉันเพ น, น ก็ฉันเป็นวงวงละสาบางวงละสองบา ง, งทีก็วงละสี่ก็พระกอมีผ้ารูปหนึ่งเนี่ยหมุดหงิดไม่พอใจที่ภาพอีกรูปหนึ่งซึ่งฉันในวงเดียวกันเนี่ยท่านฉันเคี้ยวและเสียงดังดังจับจับจับจั บ, จบเนี่ยแล้วก็บางทีเคี้ยวบางทีจับตักตักอาหารใช้ช้อนก็เสียงกระทบกับจานก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่า สุดท้ายนี่ท่านอดรนทนไม่ได้หงุดหงิดฉันอยู่ดีๆก็ทิ้งจานทิ้งช้อนซ่อมแล้วก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเนี่ยด่าผ้ารูปนั้นว่าฉันเสียงดังเหลือเกินนะไม่เกรงใจกันเลยปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ท่านทํานี่มันหนักกว่าที่ภาพอีกรูปหนึ่งทำกับท่านนะประวัติภาพรูปหนึ่งแค่แค่ฉันเสียงดังนะแต่ว่าตัวตัวท่านที่แสดงออกมาเนี่ย มันรบกวนนะทั้งทั้งวงเลยนะวันนั้นนี่ก็เลยมันก็วงแตกเลยนะอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้ามีพระทิ้งจานทิ้งช้อนทิ้งซ่อมนะตะโกนขึ้นมาก็กลายเป็นว่าไปว่าเขาว่าฉันเสียงดังแต่ตัวเองเนี่ยกลับทําเสียงดังยิ่งกว่านะถ้าคนธรรมดาถ้าคนที่มีสติเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกนะแต่ว่าพอที่ทํางันเพราะความลืมตัวและที่ลืมตัวได้เพราะอะไรเพราะความโกรธ น, นะความหงหุดหงิด ไปว่าเขาว่าทําเสียงดังแต่ตัวเองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าทําเสียงดังยิ่งกว่าคนที่ตัวเองว่าสินะอันนี้พ่อแรงนี่พราะความความโกรธนะแล้วก็น่าสังเกตว่ามันก็เป็นเรื่องที่สะสมมาเท่าไนี่เทีละน้อยนะอันนี้ก็เป็นแง่คิดสาหรับพวกเราด้วยนะพวกเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโยมเป็นพระอยู่ด้วยกันเนี่ยทีแรกก็ไม่มีอะไรนะแต่พอ มีเรื่องอะไรที่กระทบกันเล็กๆน้อยๆวันแล้ววันแล้ววันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเนี่ยให้ความหมุดมีความไม่พอใจค่อยๆสะสมตัวมากขึ้นบางทีมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะเช่นอาจจะฉันเสียงดังพระที่นั่งข้างๆข้างหน้าฉันเสียงดังหรือว่าอาจจะสวดมนต์ไม่ไม่ไม่เข้ากันไอเรานี่ยสวดเสียงสูงอีกคนหนึ่งสวดเสียงต่ํา ให้เราสวดพื้นนแต่ค น, นึังสวดลากเสียงยาวนะมันไม่เข้ากันที่แรกก็ไม่เป็นอะไรนะพอสะสมไปสะสมไปวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนคราวนี้แหละนะก็จะเริ่มไม่พอใจขึ้นมาแล้วพอไม่พอใจขึ้นมาก็อาจจะโวยวายแล้วนะมารู้ตัวทีก็แสดงอาการที่คนก็ตื่นตกใจกันทั้ง ทั้งสาลาเลยก็มีอันนี้เพราะความลืมตัวและลืมตัวเพราะอะไรลืมตัวเพราะความโกรธนะเพราะความหงุดหงิดทั้งที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเสียงดังเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือก็คือใจของเรานะที่ไม่ชอบที่ปฏิเสธนะหรือรู้สึกเป็นลบ ก, กับเสียงนั้นและยิ่งรู้สึกเป็นลบ ก, กับเสียงนั้นนะยิ่ง ยิ ian, ่งปฏิเสธยิ่งผลักสายนใจมันก็ย <sem> <News same> <influence> ิ่งยึดติดนะใจมันยิงยึดติดกับเสียงไม่ชอบเสียงนี้จิตมันก็ยิ่งไปจดจ่ออยู่กับเสียงนี้ไม่ชอบเสียงที่ลากยาวจิตมันก็ยิ่งไปจดจ่ออยู่กับเสียงที่ลากยาวเนี่ยไม่ชอบเสียงที่พ้วนสั้นหรือว่าเสียงสูงใจมันก็ไปจ่ออยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็เลยไม่พอใจเกิดความสะสมมากขึ้นถึงจุดหนึ่งถ้าไม่มีสติรู้ทันมันก็ลืมตัวขึ้นมาได้ เนี้นเราต้องต้องต้องมองว่าต้องมาเตือนตัวเราอเสมอว่าปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เสียงนะปัญหาไม่อยู่ที่การกระทําของคนอื่นแต่อยู่ที่ใจของเรานะที่วางเอาไว้ไม่ถูกเพียงแค่เราปล่อยวางไม่ต้องสนใจนะเสียงว่าการเป็นเรื่องเล็กน้อยไปพระพุทธเจ้าตรัสนะว่ามือที่ไม่เป็นแผลเนี่ยจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอะไร ไม่เกิดอันตรายแต่ถ้ามือเป็นแผลเมื่อไหร่เนี่ยถูกต้องยาพิษเนี่ยแพลยาพิษแล้วก็จะกลายเป็นอันตรายถึงตายได้หมายความว่าไงก็หมายความว่าปัญหามมไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกแต่อยู่ที่ปัจจัยภายในถ้ามือไม่เป็นแผลเจออะไรที่หนักๆเจออะไรที่อันตรายก็ไม่เป็นอะไรนะมือนี่ก็เปลี่ยนมัเป็ปัจจัยภายในนะ ให้ความทุกข์ใจก็เหมือนกันนะความทุกข์ใจก็เกิดจากปัจจัยภายในก็คือจิตใจของเราที่วางเอาไว้ไม่ถูกนะมันไม่ได้ที่มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะแม้แต่คาําด่านั่นเองเนี่ยคาํานดะ่าถ้าเราไม่ไปจดจ่ออยู่กับคาําด่าเราฟังแล้วเราก็ปล่อยวางหรือเราไม่เอาตัวตนเข้าไปเทียบให้ไปเคียงเนี่ยมันก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาอ่นะเปล่าก็เหมือนกับ เราก็าไปในสวนสวนมะพร้าวแล้วก็มีลิงตัวหนึ่งเป็นลิงเกเลเอมันชอบแกล้งคนพอมันเห็นเราเดินเข้ามาในสวนมันก็เอามะพร้าวเนี่ยคว้างมาคว้างมาที่ตัวเราถ้าเราเห็นว่าลูกมะพร้าวที่กำลังพุ่งมาที่ตัวเราเราควรจะทําอย่างไรเอาหน้ารับเอาตัวรับหรือว่าหลบ ถ้าคนฉลาดนี่เขาไม่เอาตัวรับนะเขาไม่เอาหน้ารับนะเขาหลบนะคำด่านี่ก็ไม่ต่างจากมะพร้าวนะที่ลิงเกเเล่คว้างมาลดนึ่งคำต่อว่าด้วยถ้าคนฉลาดเนี่ยเขาจะเขาจ ะ, เขาจะไม่ไม่เอาตัวรับคําดานั้นนะแต่เขาจะหลบแต่ถ้าแต่คนส่วนอยากเขาทำยังไงกันนะเขาเอาตัวรับ เอาตัวรับคาด่าแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บปวดขึ้นมาเขาด่าฉันเขาด่าฉันเขาว่าฉันนะอันนี้คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นนะกับผู้คนทั่วไปพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยเคยเคยถูกพราหมณ์คนหนึ่งนะพราหมณ์คนนี้เนี่ยด่าท่านไปด่าถึงสํานักเลยนะไปด่าถึงเชตวันเลยเพราะว่า บริษัทบริวารเพื่อนเา้าพี่น้องเขาเนี่ยซึ่งเป็นพรามณ์เนี่ยหันมาหันมาสมาทานพระรัตนตรัยหันมาเป็นอ่าเป็นชาวพุทธนะเป็นลูกศิษย์พระเจ้าเขารู้สึกว่าโกรธแค้นมากก็ดา่ดาดา่าด่าพระพุทโธก็นิ่งเฉยนั่นะนิ่งเฉยนะจนกระทั่งเขาดา่าเขาด่าจนจนพอใจแล้วพระเจ้าก็ ก็เลยเริ่มสนทนากับเขาถามพราหมณ์คนนี้ว่าพรามณ์เคยมีคนมาที่บ้านท่านไหมเคยมีอาคันตุกะมาเยี่ยมเยียนท่านไหมพราหมณ์นี่บอกว่ามีเศษมีมากมายฉันไม่ใช่เป็นคนชิ้นลายไม้ตอกเนี่มีมาเยอะด้วยพราหมณ์เมื่อมีแขกมาที่บ้านเนี่ยท่านทําอย่างไรข้าพเจ้าก็เอาของเอาน้ําเอาของกทเยี่ย ม, มาต้อนรับเส เขาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนยากจนอะไรนี่พรามนะเมื่อท่านเอาของมาต้อนรับแขกแล้วถ้าแขกนั้นเนี่ยไม่รับของนั้นเนี่ยไม่กินของนั้นเนี่ยของนั้นจะเป็นของใครก็เป็นของข้าพเจ้าสิข้พเจ้าก็เลยบอกว่าฉันได้ก็ฉันนั้นเมื่อท่านดา่าด่าเรานะแต่เราไม่รับคำด่าของท่านเนี่ยคำด่านั่นจะเป็นของใครฟังพรามได้ฟังก็อึ้งเลยนะ คือเนี่ยคำด่าเนี่ยมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อเราเนี่ยรับเอาคำด่านั้นแต่ถ้าเราไม่รับเนี่ยคำด่านั้นมันก็เป็นโมฆะมันก็ไร้ผลแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาด่าเราด่าผิดด่าถูกยังไรเนี่ยก็ไปไปรับเอาคำด่านั้นมันเป็นของตัวนะแล้วก็โกรธเสียเองหลวงพ่อชาท่านเคยเคยเคยพูดเตือนนะ บอกว่าเวลาใครเราด่าว่าเราเป็นเป็นหมาเป็นเป็นเป็นเดรัจฉานอะไรก็ตามเนี่ยก่อนจะโกรธเขาเนี่ยก็ลองเอามือคลำก้นก่อนว่ามีหางงอกมาหรือเปล่าถ้าไม่มีหางงอกมาก็อย่าไปด่าเขาเออถ้าเขาด่าแล้วเนี่ยเรามีหางงอกมานะหรือถึงค่อยโกรธเขาอันนี้คือว่าเราไม่รับคำด่าเขาเนี่ยเมื่อเราไม่รับคำด่าเขาเนี่ยมันก็ไม่ถูก มีคนเปลียบที่ไว้น่าสนใจนะว่าคำด่าว่าเนี่ยก็เหมือนกับจดหมายนะที่ส่งที่ส่งนะจากหน้าซองถึงผู้รับแต่ถ้าจดหมายแนละ้วเนี่ยผู้รับไม่รับเนี่ยจดหมายน่าจะเป็นอย่างไรจดหมายก็ตีกลับมาสู่ผู้ผู้ส่งใช่ไหมเราเคยส่งจดหมายใช่ไหมเราส่งจดหมายเนี่ยถ้าผู้รับนี่เขาไม่รับเนี่ยมันก็ตีกลับมาที่ผู้ส่ง คำด่าเหมือนกันนะด่าไปแล้วขอไม่รับนะมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวคนดา่าเราต้องฉลาดนะั้นในการที่จะไม่รับเอาคำด่านะนะอย่าเอาตัวตวนไปรับคำดา่าจะใช้วิธีอย่างหลวงพ่อปะสิทธิ์ก็ได้นะหลวงพ่อประสิทธิ์นะออธาวโรนี่ท่านอยู่วัดทําใเดปรกท่านมรณภาพไปแล้วเป็นผู้ บุกเบิกฟื้นฟูวัดทรรมใจเปริกซึ่งเคยเป็นวัดล้างเนี่ยที่เกาะสีชังตอนที่ท่านไปฟื้นฟูใหม่ๆเนี่ยก็มีพวกอันตพานพวกนักเลงท้องถิ่นที่ไม่พอใจคงอยากจะฮุบที่ของวัดเอาไวน้นะก็ยพยายามหาทางกลั่นแกล้งด่าว่าก่อกวนจริแล้วท่านก็ไม่อยากจะต่อล่าต่อเถียงอยากจะย้ายไปที่อื่นแต่ว่าตอนหลังเห็นประโยชน์ของของวัดก็เลยพยายามที่จะอยู่ต่อแล้วก็อดทน นะต่อคำด่าคำว่างเขาแต่จะเรียกว่าอดทนก็ไม่ได้นะเพราะว่าท่านก็ท่านก็มีวิธีของท่านนะในการที่จะอยู่กับอยู่กับหรือรับมือกับคำด่าได้โดยที่ใจไม่ทุกข์ถ้ามีเรื่องราวว่าวันหนึ่งท่านท่านเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็ผ่านหน้าบ้านของนักเลงคนหนึ่งซึ่งนักเลงคนนี้นี่ก็ร้ายมากนะ ชอบแกลงพระบางทีพระเดินพิศษาก็เดินชนพระจนกระทั่งบาทกระเด็นพอก็เห็นหลวงพ่อประสิทธิ์เดินผ่านมาเขาก็ด่าเลยนะดา่าเสีย ห, หายหลวงพ่อประสิทธิ์ได้ฟังเช่นนี้เนี่ยปกติคนเราพอถูกดานี่ก็จะทําอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้คือทําเป็นไม่รู้ทําเป็นหูทวน ล, ลมไม่ได้ยินหรือสอง ก็โกรธแล้วก็ดา่าด่ากลับหลวงพ่อประสิทธิ์ไม่ทำทั้งสองอย่างหลวงพ่อประสิทธิ์เดินเข้าไปหาเขานะหน้าตายิม้มแย้มแล้วก็แล้วก็ไปถึงตัวเลยนะแล้วก็จับแขนเขย่ามึงด่าใครมึงด่าใครก็ด่ามึงนะสิไอ้หนุม่มคนนั้นบอกเออแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงดีแล้วอย่าด่ากูแล้วกันนะแล้วท่านก็เดินออกไปเลยไอ้หมอนได้งงเลยตกลงกูด่าใครวะ คือหลวงพ่อประสิธิ์นี่ถ้าไ่เอาตัวกลัวเขาไปรับเนี่ยไม่เอาม่าตัวกูไปรับคําด่านะท่านั้นก็เลือกเออไอ้หมอนี่มันด่ามึงมาไม่ได้ด่ากูนะอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่รู้จักหลบนะเหมือนกับเราเห็นมะพร้าวมันเคลื่องใส่เรานะถ้าเราฉลาดนเราต้องหลบนะเราไม่เอาหน้ารับไม่เอาตัวรับตอนนี้เมื่อหลบแล้วเนี่ยนะ มะพร้ามก็กระเด็นนะตกพื้นเราจะทําอย่างไรกับมะพร้าวลูกนั้นเราจะมะพร้าวลูกนั้นเนี่ยคว้างกลับไปที่ลิงตัวนั่นหรือเปล่านะถ้าคนฉลาดเขาไม่ทำอย่างงั้นกันนะเขาไม่เอาว่าไม่เสียเวลาก็าไม่เสียแรงเอามะพร้าวคว้างกลับไปที่ตัวลิงถึงแม้ว่ามะพร้าวลูกนั้นจะไม่ได้กระทบตัวเขาก็ตามคนฉลาดาก็จะเอามะพร้าวเนี่ย กลับบ้านหรือไม่ก็ฉอบกินเพราะว่าเนื้อมะพร้าวเนี่ยมันคงอร่อยนะน้ำก็คงจะอร่อยด้วยอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตนะคนฉลาดคือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะไม่ยอมที่จะให้ไม่ยอมรับคําด่านั้นรู้จักหลบรู้จักหลีกไม่เอาตัวตวนเข้าไปรับอันที่สองรู้จักใช้ประโยชน์จากคาด่านั้นนะมันจะเป็นหรือเมื่อจะเป็นคําด่าหรือคําตําหนิตีเตียน มันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะอยู่ทว่าจะรู้จักมองรู้จักใช้หรือเปล่าเหมือนกับมะพร้าวนะซึ่งแม้มันจะทำร้ายคนให้หัวแตกได้แต่ว่ามันก็มีประโยชน์ถ้ารู้จักอชอเอาน้ำเ อ, า, ำเอ า, าเนื้อของมันมากินคำต่อว่าคาต่อว่าดาทอมีประโยชน์นะ เช่นอันมาอาจจะทำให้เราไดเห็นข้อตเห็นข้อผิดพลาดของเรา<ม>เห็นสิ่งที่เราควรแก้ไขนะคำตำหนินะมันมีประโยชน์ตรงนี้มากนะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยลดละตัวตนของเราได้นะุณเล็กพิริยพันธ์เจ้าของเมืองโบราณ น, นะซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอปมงคล เพราะคำตำหนิเนี่ยมันช่วยเตือนใจสอนใจเขาได้มากเพราะว่าคนรวยเศรษฐีนี่ก็มีแต่คนมักจะมีแต่คนชมมีแต่คนประจบประแจงนะจนกระทั่งตัวเองอาจจะเหลิงนะพอมีคนมาตำหนิมาต่อว่านี่มันก็ช่วยทําให้เกิดสติขึ้นมาได้เหมือนกันทําให้ไม่เหลิงไม่ไม่ไม่หลงตัวลืมตนยังเห็นว่าตัวเองเป็นเทวดาไม่เห็นว่าตัวเองเป็นเทวดา เห็นว่าตัวเองนี้เป็นมนุษย์มนาที่มีผิดพลาดได้อันนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดกับตัวเองหรือทำให้รู้จักตัวเองนะแต่ว่าคำด่าว่าบางอย่างเนี่ยมันมีแต่คำด่าล้วนๆเลยมันไม่มีสาระอะไรเลยมันยังมีประโยชน์นะมันก็ทำให้ได้รู้จักคนพูดหรือเจ้าตัวที่ด่าว่าเราว่าเขาเนี่ยมีนิสัยอย่างไรนะไอ้คาต่อว่าเนี่ย บางทีคนเราจะรู้จักใครเนี่ยไม่ได้รู้จักคําชมไม่ได้ไม่ได้ดูจากคําพูดดีๆของเขาไม่ได้ดูจากคําชมของเขาไม่ใช่ดูจากรอยยิ้มของเขานะแต่ดูจากคําตําหนิของเขาว่าเขาตําหนิอย่างไรเขาใช้คําพูดอย่างไรเขาแสดงอารมณ์ออกมาอย่างไรความโกรธมันก็เป็นตัวประจานคนโกรธคําด่าว่า แม้ว่าจะด่าด้วยถ้อยคำรุนแรงแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการฟ้องมาเป็นการประจานขนพูดนะ ว, ว่าเขามีนิสัยใจคออย่างไรนะอันนี้ก็ทําให้เราได้รู้จักเขาว่าอ๋อเขาเป็นคนอย่างนี้น ะ, ะเราก็จะได้เราก็ได้ระมัดระวังไว้นะหรือว่าเราก็จะได้าวางระยะ ก, กับเขานะเพราะถ้าเขาด่าแบบเซ๊ะเซหายแบบนี้แสดงว่าเขาเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่ไม่รู้จักคิด เราก็ต้องรู้แล้ววันอ่อนเนี่ยมันเป็นภารชนเพื่อเจ้าสอนว่านเนี่ยอเสวนาจะพาลานางังการไม่ครบคนพาลเป็นมงคลอันสูงสุดบางทีเรารู้ว่าใครเป็นคนพาลหรือไม่ก็จากคาด่าของเขาเนีพอเรารู้แล้วเราก็ไม่คบเนี่ยอเสวนาจะาลานางังพอเราไม่ครบเราก็ได้ประโยชน์แล้วนะแสดงว่าเราได้ทํามงคลอันสูงสุดข้อแรกเลยอันนี้คือประโยชน์ที่เราน่าจะ รู้จักชันะจากคำด่าหรือไม่ใช่นั้นเนี่ยคำด่ามันก็สอนให้เราเข้าใจเรื่องธรรมะโดยเพราะเรื่องโลกธรรมโลกธรรมแปดโดยเพาะข้อที่ว่าสารเส ร, ริญกับนินทา์เป็นของคู่กันเคยเล้ฟังแล้วนะที่หลวงพ่อทองรัตเนี่ยท่านบิณฑบาตแล้วก็มีคนเอาบัตรสนเทศใส่บาทท่านท่านก็รู้นะว่าอันเนี้ยเป็นข้อความที่ด่าว่าท่า น, นท่านก็ พอมาถึงวัดนะท่านก็ให้เนรท่านก็รียบผมจีวรอย่างดีแล้วก็สวมสังฆาติแล้วก็บอกเนว่าเนี่ยได้วันนี้ได้รับอมฤตธรรมจากเทวดาแล้วได้รับอมฤตธรรมจากเทวดาเป็นของหายากนะเอาเน้นอ่านให้ฟังซนะิเนนก็อ่านให้ฟังเลยนะเขก็ด่าว่าไอ้ผีพระผีบ้าไม่รู้จักไม่มีวิเนยไม่สำรวมชอบประจบประแจงชาว บ, บ้าน นะถึงเดินดินบินบนได้ก็ไม่มีใครนับถือให้ออกไปจากวัดนี้นะไม่งั้นจะฝากตะกัวโอ้ยเขียนแรงมากนะหาว่าทําเป็นภาพผีบ้าแล้วท่านได้ฟังเสือจท่านก็บอกโอ้ยดีนะเนี่ยเพิ่งรู้นะว่าโลกธรรมเป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนได้ยินได้ฟังมาโลกธรรมคือได้ลาบเสื่มลาบได้ยศเสื่มยศนะสารสนนินทาสุขทุกวันนี้ได้เห็นนะได้รู้จักโลกธรรมตัวจริงเลยนะ เก็บเอาไว้ใต้ฐานพระนัของดีของหา ย, ยากนั่นเน้นก็เอามาใช้เอาคำด่าว่านี่มาใช้เป็นเครื่องสอนใจถึงเรื่องโลกธรรมนะโลกธรรมสอนตัวเองด้วยสอนเนนด้วยนะมันจะทําให้เราไม่เหลิงเวลาเราได้รับคํา ส, สรรเสริญเราก็จะได้เตือนใจว่าเออวันนี้ได้รับคาําด่าพรุ่งนี้วันนี้ได้รับคําชนพรุ่งเนี่ย จ, จะรับคาําด่าหรือเช้ามีคนชมตอนเย็นอาจจะมีคนด่าก็ได้ มันจะเป็นเลงมากกับคำชมเพราะเดี๋ยวต้องเจอคำด่าแล้วจะทุกข์เนี่ยคำด่ามันก็สอนโลกธรรมให้กับเรานะหรืออาจจะทำให้เราได้เห็นตัวเราเองนะอย่างที่พูดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะอันนี้ก็เคยเล่าแล้วในเรื่องหลวงพ่อพุธนะที่ท่านโดนเด็กอายุห้าขวบซึ่งนั่งซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆแม่ที่กำลังจะใส่บาตร ผูนะ้สายท่านว่ามึงบอแมนพระดอกมึงบอแมนพระดอกว่าท่านโกรธมากเลยที่แรกแต่ว่าท่านก็มีสติพอกดพวกก็มีสติแล้วก็พวกตัวเองขึ้นมาว่าเออจริงของมันเราไม่ใช่พระถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธนะเอาคําด่าของเอาคําพูดของของเด็กเนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนใจสอนใจท่านาเออนี่เรายัางต้องฝึกอีกนะเพราะเรายัางโกรธอยู่เรายัางไม่ใช่พระนะ โอ้ท่านกล้าอยอมรับความจริงแบบนี้เนี่ยนันเป็นวิสัยของบัณฑิตมากเลยและท่านก็เรียกเด็กคนนี้ในเวลาต่อมาว่าเป็นอาจารย์คือทำให้ท่านได้เห็นตัวเองทำให้ท่านได้รู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมะพร้าวที่ลิงโยนคว่างมาให้กับเราเนี่ยมันมีประโยชน์ฉันใดนะไอ้คําพูดคําด่านะที่ใครต่อใครประเคนให้เราเนี่ยมันก็มีประโยชน์ ฉั น, นั้นนะอยู่ที่ว่าเราจะรู้จักหาประโยชน์แบบไหนนะข้อสําคัญแต่จะทําทงั้นได้ข้อสําคัญก็คือว่าอย่าไปหลงตัวอยู่กับความโกรธพอเราเผลอใจเมื่อไหร่เนี่ยนะพอมีคําพูดอย่างนี้มากระทบเราก็จะโกรธนะแล้าพอเรากลัแล้วเราก็ลืมตัวแนะพอลืมตัวแล้วทําอะไรก็ทําได้ทั้งนั้นนะบางคนก็าจถึงกับฆ่านะฆ่าฆ่าแฟน นะเพราะว่ามีการกระทบกระทั่งกันด่าว่ากันโกรธห้ามใจไม่อยู่ความีดควาควาจอบที่อยู่ใกล้ตัวนี้มาฟาดตายเสร็จแล้วก็มาเสียใจบางทีพ่อก็ฆ่าลูกเพราะความโกรธลูกเถียงพ่อถเถียงไม่ตกฟากพ่อโมโหมากเอาปืนยิงลูกนะพอรู้ว่าลูกตายแล้วทำใจไม่ได้ยิงตัวเองตายตามไอ้เรื่องแบบนี้ก็มีอยู่เพราะความโกรธ แล้วพอโกรแล้วก็ทำให้หลืมตัวแต่ว่าถ้าเรานะเราฉลาดเนี่ยเราเจริญสติมาแล้วนะก็ควรจะถือว่าความโกรธเนี่ยที่เกิดขึ้นในใจเราหรือความโกรธที่เกิดขึ้นในใจของคนอื่นก็ตามเนี่ยมันเป็นแบบฝึกหัดสอนเรานะเป็นโจทย์ที่สอนเราเรื่องการฝึกสติหรือว่าทดสอบเราว่าเรามีสติพอไหม เขาว่าเราเขาด่าแล้วเออให้ถือว่านี่เป็นเครื่องฝึกสติหรือทดสอบว่าเรามีสติไหมอ่าถ้าเราโกรธเราก็สอบตกอ่าสอบตกไม่เป็นไรก็เอาใหม่พยายามใหม่ลองตั้งหลักแบบนี้ว่าเนี่ยเขากําลังมาฝึกเขากาลังมาทดสอบสติของเรานะและขณะเดกันถ้าเกิดว่าเราเผลอมีมีความกลัวขึ้นมาใน ใ, นใจก็ให้ถือว่าเป็นแบบฝึกหดัดอีกแบบหนึ่ง ที่จะมาสอนให้เราว่าให้เรารู้จักมีสติทันเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธนะความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่สายนะที่เราจะเห็นมันที่เราจะมีสติในการเห็นมันแต่ถ้าดีเนี่ยก็ต้องมีสติตั้งแต่ตอนที่เกิดผัดสสะนะหูกระทบะเสียงกระทบหูนะพอมีสติปุ๊บเนี่ยนะ ความโกรธนี่มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยหรือเพราะว่าพอมีสติมีความสึกตัวเนี่ยมันก็ไม่เกิดอัตราตัวตนเข้าไปรับเป็นเจ้าของคําด่านั้นมันวางได้นะแต่ถ้าไม่มีสติเกิดความปวดไปแล้วก็ยังไม่สายที่จะมีสติรู้ทันความโกรธเห็นมันนะไม่เป็นไม่เป็นผู้โกรธแต่เห็นความโกรธก็ถือว่ามันเป็นแบบฝึกหัดอีกแบบหนึ่งนะซึ่งเราต้องเจอเราต้องเราต้องเผชิญ แล้วเราต้องผ่านมันให้ได้ถ้าไม่ผ่านก็ต้องเจอใหม่เจอแล้วเจออีกจนกว่าจะผ่านมันไดเน้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นของมีประโยชน์เหมือนกั น, นถ้าเรารู้จักใช้มันคำนี้ก็เพียงเท่านี้นะขอะกราบคระ